เรื่องที่สองนี้เป็นหมูป่านี่ก็น่าประหลาดไปอีกทางหนึ่งคือหมูป่าตัวนี้ก็เที่ยวหากินมาตามชายเขาด้วยลาพังไม่นึกว่าจะมีคนดักซุ่มอยู่ตามบริเวณนั้นเพราะอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากในยะว่าในพรานไปดักซุ่มหญิงสัตว์ป่าที่มาหากินน้ำในแอ่งหินชายผู้เขาเ อ, เอลอคืนนั้นกรรมของหมูป่าตัวนี้มาถึง จึงลงไปกินน้ำในแอ่งหินที่เขากำลังนั่งห้างคอยทีอยู่ก่อนแล้วพอมาถึงน้ำก็โดนหญิงตายในขณะนั้นจวนสว่างหมูตัวนั้นก็มาหาแม่ชีซึ่งกาลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเพศแห่งบุรุษเช่นเดียวกันแม่ชีจึงถามว่ามีเหตุทุกข์ร้อนอะไรหรือถึงได้มาหาเราบุรุษนั้นก็เล่าเหตุการณ์ที่เป็นมาให้ฟังว่า ได้ถูกนายชื่อนี้ยิงตายเสียแล้วขณะที่มากินน้ำเพราะความหิวโหวยแม่ชีถามตอนลงกินน้ำไม่ได้คิดระวังเนื้อระวังตัวบ้างหรือการระวังก็ระวังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเพลิตัวเพราะกลัวอันตรายความเป็นสัตว์นี้ลำบากมากไม่มีอิสระในตัวเองไปที่ไหนก็มีแต่ภัยตะเวนรอบด้านต้องระวังตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นก็ยังถูกเข้าฆ่าจนได้ แต่การตายคราวนี้ก็ไม่ได้ติดใจเสียดายอะไรยิ่งกว่าการไปเกิดในภพต่อไปกลัวจะไปเกิดเป็นศาสอีกดังที่เคยเกิดมาแล้วซึ่งแสนทุกข์ทรามานเพราะความอดอยากและการระวังภัยนั่นแหลพาให้เกิดทุกข์จนกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความระแวงระวังอยู่รอบด้านไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนทิะเกียรตะกายมนนี่ก็เพราะความกลัวการเกิดจะผิดพลาดไม่อาจห้ามได้ ไม่มีบุญช่วยคำ้ำฉูหนุนจึงได้กระเสือกกระสนมาวางพึ่งบุญบา ร, รมีคุณแม่ผู้บันเพนธรรมมีบุญค้ำหนุนโลกได้ช่วยอนุเคราะห์เมตตาสัตว์ผู้อาภัพอับวาสนาในคราวนี้ด้วยเถิดอาจได้ไปเกิดในที่และกำเนิดอันสมหวังผมไม่มีสมบัติใดติดตัวพอเป็นเครื่องอบอุ่นมั่นใจในคติภพมีแต่ร่างกายเนื้อหนังที่ถูกทำลายตายไปเมื่อคือนนี้เท่านั้นพอได้ถวายเป็นทานบูชาธรรมะ แต่ท่านผู้ทรงธรรมบําเพ็ญพรหมจรรย์จึงได้มากราบเรียนวิงวอนไว้เพื่อคุณแม่ทราบเหตุการณ์และอนุเคราะห์ด้วยคือเวลาเขาเอาอาวัยวะเครื่องภายในอันเป็นของมีค่าและเนื้อหนังมังสังอวัยวะภายนอกของผมมาให้ท่านที่นี่ขอคุณแม่ได้โปรดเมตตาบริโภคขบชันให้ผมด้วยเถิดเพื่อบุญอันเกิดแต่ทานนี้จะได้เป็นเครื่องอุดหนุนเ ช, ชิดชูให้ผมได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพต่อไป สมความมุ่งปรารถนาสิ่งที่เป็นน้ำใจอันประสงค์อยากถวายทานอย่างยิ่งของผมนั่นคือเครื่องในแห่งอวัยวะของหมูที่ตายอันเป็นตัวผมเองแต่มนุษย์มีความละโมบโลภมากกว่าสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวว่าเนื้อชิ้นใดที่ดีๆเขาจะเก็บสั่งสมไว้เพื่อภูมิของตัวมากกว่าเพื่อทำบุญไม่นำมาให้ทานเพราะกลัวจะหมดจากลิ้นจากปากด้วยอานาจกิเลส ต, ตัวโลภพพาให้เป็นไป ผมจึงมีความมิตกกังวลมากเรกรงไม่สมใจที่อยากให้ทานในวาระสุดท้ายแม่ชีได้เมตตาอบรมสั่งสอนเขาร้อมกับให้ศีลให้พรและแผ่ส่วนกุศลแก่เขาขอให้ได้ไปเกิดในกำเนิดที่มุ่งหมายตามใจหวังเขารับอนุโมทนาส่วนบุญแล้วได้ลาจากไปในขณะนั้น พอรุ่งเช้าแกก็มากระซิบบอกคณะแม่ชีด้วยกันว่าแกนั่งทาสมาธิภาวนาอยู่ตอนดึกราวสามนาฬิกาได้มีนิมิตปรากฏเห็นบุรุษคนหนึ่งเข้ามาหาด้วยท่าทางที่มีความทุกข์ทรมานใจมากเมื่อถูกถามก็ได้ความว่าบุรุษนั้นเป็นหมูป่าอาศัยอยู่ในภูเขาชื่อนี้มาหลายปีคืนนี้ขณะหมูป่าตัวนั้นลงมากินน้าที่แอ่งหินชายภูเขา จึงถูกนายชื่อนี้อยู่หมู่บ้านชื่อนี้ซึ่งนั่งห้างคอยทีอยู่ยิงตายในขณะนั้นจากร่างหมูตัวที่ตายนั้นจึงนิรมิตเพศเป็นมนุษย์มหาชัน้นแสดงความประสงค์อยากอุทิศร่างกายอวัยวะของตัวที่ถูกเขาฆ่าให้ทานแก่พวกเราเพื่อรับประทานเนื้อหนังมังสังของเขาเพื่อพบต่อไปเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะผลแห่งทานนี้จึงได้เล่าเหตุการณ์ให้ทราบลวงหน้าว่า เมื่อเขานำเนื้อหนังมังสังส่วนใดก็ตามมาให้ทานที่นี่ขอให้พวกเราอนุเคราะห์เมตตาบริโภคให้เขาด้วยเพื่อบุญนี้ได้เกื้อหนุนเขาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบฉันเองก็ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเลยที่สัตว์เดรัานคิดใจบุญอยากให้ทานเนื้อหนังของตนดังหมูป่าตัวนี้แตเป็นความจริงคอยสังเกตดูต่อไป จะจริงหรือเท็จประการใดบ้างก็ทราบกันคราวนี้เองเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อยู่ไม่น้อยถ้าตามเหตุผลที่เป็นมานี้คือพอสายหน่อยประมาณแปดนาฬิกาก็เห็นผู้หญิงสองสาคนกับภรรยาของนายคนนั้นนั่นเองคนหนึ่งนำเนื้อหมูป่ามาให้ทานที่นั่นพอคณะแม่ชีมองเห็นเนื้อที่เขานำออกแสดงก็ทราบกันโดยในยะว่า ต้องเป็นเนื้อหมูป่าตัวนั้นแน่นอนไม่สงสัยเมื่อถามเขาก็าทราบเป็นความจริงทุกประการแม้ยิงหมูป่าตัวนั้นก็เป็นนายคนนั้นจริงๆด้วยนี่คือนิมิตต่างๆที่เกิดในสมาธิของนักปฏิบัติ บ, ตบางรายและปัญหาที่เกิดจากสมาธิก็มีมากดังกล่าวมาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นตามขั้นปัญญายิ่งมีมากกว่าสมาธิทั้งลึกซึ้งและสลับซับซ้อนกว่าสมาธิอีกมากมายวันหนึ่งหนึ่งเกิดได้ไม่มีกำหนดต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้คลี่คลายแยกแยะแยก้ไขเป็นตอนตอนไปมิฉะนั้นไม่มีทางผ่านพ้นไปได้นอกจากไม่สามารถผ่านไปได้แล้วยังทำให้เกิดงงงนันอันตู้อยู่เป็นพักๆเป็นวันๆ เพราะปัญหาแต่ละข้อมีความหนักเบาทางกันนักภาวนาจำต้องเป็นนักใคร่ครวนไปในตัวโดยไม่มีใครมาบังคับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละปัญหาหากเป็นเครื่องขย่าวสติปัญญาให้ตื่นตัวไปเองนับแต่ขั้นอสุภาจนถึงขั้นนามธรรมอันเป็นส่วนละเอียดย่อมเป็นทางเดินของสติปัญญาโดยแท้ นักปฏิบัติต้องเกิดปัญหาและปัญญาในตอนนี้แหละมากกว่าทุกขั้นทุกตอนที่ผ่านมาถ้าเข้าใจว่าตนมีภูมิจิตภูมิธรรมละเอียดคล่องแคล่วในอสุภะธรรมและนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ปัญหามิได้เกิดขึ้นมารบกวนใจเลยคิดภาคภูมิว่าตนเป็นประเภทสุขคาปฏิปทาคือปฏิบัติสะดวก นั่นคือการภาคภูมิในความนอนใจของการปฏิบัติเพื่อรื้อถอนรากแก้วรากฝอยหรือรากเง้าเขามูลของกิเลสทั้งปวงโดยไม่รู้สึกตัวพราะการแก้กิเลสด้วยปฏิปทาเริ่มแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาตามลำดับขั้นนั้นๆโดยมากต้องเกิดปัญหาต่างๆแจ้ขึ้นในระหว่างเป็นระยะไปซึ่งเป็นการปลุกหรือขย่สติ ป, ปัญญาให้ตื่นตัวไปในขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นบ้างเลยนั่นน่าจะปฏิบัติสะดวกเกินไปถ้าเป็นชิ้นเนื้อต่างๆก็ชนิดเขียงกลัวไปตามๆกันไม่กล้าเข้ามารองรับให้สำหันนี่ก็น่ากลัวตัวประมาทนอนใจหรือตัวโมหะพากันกลัวไปตามๆกันไม่กล้ารับเข้าในบัญชีกลัวจะไปทำลายจำพวกโมหะที่มีอยู่มากพอแล้ว แตกขอกแวกแนวไปซิ้หมดนั่นเองเฉพาะขั้นปัญญาโดยตรงด้วยแล้วต้องเป็นเรือนรังแห่งปัญหาแง่ต่างๆจะพึงเกิดขึ้นเสมอในวันเวลาหนึ่งๆขณะที่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นสติปัญญาจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้เพราะถูกปัญหานั้นๆพยาวเสาซีอยู่ไม่หยุดจนทนอยู่เฉยๆไม่ได้ จำต้องทำการพิจารณาแก้ไขให้ลุล่วงไปเป็นตอนตอนซึ่งเป็นการดำเนินผ่านพ้นไปด้วยในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตกไปอุบายแยบคายต่างๆย่อมเกิดขึ้นเสมอโดยสติปัญญาที่ขุดค้นคลี่คลายพาให้เป็นไปการปฏิบัติที่ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นบ้างเลยย่อมแสดงถึงความนอนใจของผู้ปฏิบัติเองว่าไม่แสแวงหาทางหลุดพ้น ด้วยความสนใจเท่าที่ควรพราะ้วยมากปัญหาย่อมเกิดขึ้นจากการใคร่ครวนไตร่ตรองหาเหตุจิตเป็นตัวการคอยรับเหตุดีชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อสังเกตใคร่ครวนอยู่บ้างย่อมต้องเจอสิ่งที่จะให้เกิดปัญหาเรื่องต่างๆขึ้นมาอันเป็นทางให้เกิดปัญญาในอันดับต่อไปสำหรับผู้สนใจต่อปัญญาเรื่องตัดฟันกิเลส จึงขอเรียนตามความรู้สึกว่านักปฏิบัติใดที่ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบ้างเลยนับแต่ขั้นสมาธิเป็นต้นไปนักปฏิบัตินั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อปัญญาความรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งหลายอย่างแท้จริงและยอมจะหาทางหลุดพ้นไปไม่ได้เพราะสัจธรรมฝ่ายผูกมัดจิตอันมีสมูทัยเป็นสาคัญนั้นคือแหล่งแห่งปัญหาเครื่องปลุกหรือเขย่าทั้งมวล และมักมีสัมาธิฐิสัมมาสมมาังกัปปะเป็นสําคัญเป็นแหล่งแห่งปัญญาทุกขั้นซึ่งเป็นเครื่องแก้ปัญหาที่เกิดจากสมุทยาศาสตร์ธรรมะทั้งสองนี้ต้องทําหน้าที่ต่อกันอย่างเต็มภูมิก่อนจะผ่านไปได้แต่ละขั้นละภูมิการที่สติปัญญาทําหน้าที่ต่อสมู ท, ทยัยอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหานั้นเรียกว่าปัญหาเกิดแล้วเรียกว่า แก้ปัญหาในวงปฏิบัติของนักภาวนาทั้งหลายดังนั้นผู้ก้าวเข้าสู่ความสงบบ้างแล้วจึงควรใช้ปัญญาหาเหตุผลในลำดับต่อไปหรือเรียกว่าเริ่มต้นหาเรื่องให้เกิดปัญหาเพื่อปัญญาจะได้มีงานทำต่อไปไม่ว่างงานอันเป็นลักษณะของคนขี้เกียจทำความสนิทติด จ, จมอยู่กับความนอนใจที่เรียกว่าโมหะ หลอมให้หลับตลอดเวลาไม่มีวันตื่นเอาเลยซึ่งไม่ใช่ทางเดินของสมาธิปัญญาอันเป็นทางหลุดพ้นตามหลักของผู้แก้กิเลสด้วยสติปัญญาแต่จะอธิบายระบุว่าปัญหาที่เกิดต้องเป็นปัญหานั้นต้องเกิดในลักษณะนั้นและปัญญาที่จะนำมาแก้ไขปัญหาต้องเป็นปัญญาเช่นนั้นต้องใช้อุบายอย่างนั้นดังนี้ยอมไม่ได้ เรื่องทำนองนี้ต้องเป็นเทคนิคหรือความแยบคายของแต่และรายจะคิดผลิตขึ้นเพื่อเหมาะแก่กรณีนั้นๆเป็นข้อข้อและเป็นรายรายไปเพราะคําว่าปัญหาก็ดีปัญญาก็ดีมีมากมายและสลับซับซ้อนไปตามกนมานยาของกิเลสสมุทยัยและความแยบคายของสติปัญญาดังนั้นจึงลงไว้เท่าที่ควรไม่ฟันเฟือเรื้อรางเกินไป จนทำให้ท้อถอยน้อยใจก่อนจะลงมือปฏิบัติอย่างไรก็ตามการปฏิบัติทางใจเพื่อเหตุเพื่อผลจริงๆจำต้องมีปัญหาและปัญญาเป็นข้าศึกศัตรูกันตลอดไปจนถึงที่สุดของเหตุและผลโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละปัญหาเกี่ยวกับสมุทัยก็ดีปัญหาเกี่ยวกับมารคเครื่องแก้ก็ดีย่อมหมดไปตามๆกัน ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจึงกรุณาหนักแน่นในสติกับปัญญาที่จะพิสูจน์ปัญหาแง่ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวในทางสมาธิและทางความรำพึงไตรตรองหรือทางปัญญาให้ลุล่วงไปด้วยความมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินอิเลที่แทรกอยู่กับปัญหานั้นๆจะหลุดลอยไปด้วยขณะที่ปัญหาสิ้นสุดลงแต่ละข้อ การอธิบายปัญหาที่จะพึงเกิดขึ้นโดยทางสมาธิและทางปัญญาที่คิดว่าพอเป็นแนวแก่ท่านผู้สนใจก็นับว่าพอสมควรจึงยุติไว้เพียงนี้